ทำกรรมดีไว้มากน้อยเพียงไรหรือทำกรรมไม่ดีไว้มากน้อยเพียงไรโดยมีผลที่ปรากฏขึ้นของกรรมนั่นเองเป็นเครื่องช่วยแสดงให้เห็นชีวิตหรือชาตินี้ของทุกคนมีชาติกาเนิดไม่เหมือนกันเป็นไทยก็มีจีนก็มีแขกก็มีฝรั่งก็มีมีชาติตระกูลไม่เสมอกัน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 เพื่อให้มีน้ำดื่มได้พบรัตนะมากมายในบ่อนั้นพระโพ ธ, ธิสัตว์ทรงเตือนว่าความโลภเป็นเหตุแห่งความพินาศแต่ไม่มีผู้เชื่อฟังพวกพอค้ายังขุดบ่อต่อไปไม่หยุดหวังจะได้รัตนะมากขึ้นบ่อนั้นเป็นบ่อที่อยู่ของพญานาคเมื่อถูกทำลายพญานาคก็โกรธ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 แต่ให้กลับมาสู่พบภูมนุษย์โดยเร็วได้พบพระพุทธศาสนาจึงเป็นความถูกต้องพึงทำอย่างยิ่งแม้ไม่ต้องการมีความทุกข์ในภพชาติข้างหน้าก็ต้องทาใจให้ไม่มีความทุกข์ตั้งแต่ในภพชาติปัจจุบันไม่ปรารถนาเป็นอย่างไรในชาติหน้าก็ต้องทาใจคือทาใจไม่ให้เกาะเกี่ยวข้อง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 ที่กำลังส่งผลติดตามเราอยู่ในขณะนี้เปรียบกรรมไม่ดีดังมือมารที่ใหญ่โตมโหฬารท่งพลังมากมายมือนั้นกาลังเอื้อมมาจับตะปบเราเพื่อลากเข้าไปขยี้ให้แหลกเลววุทิวิทย์จะจับปลายผมเราได้ไม่รู้กี่ครั้งกีห่หนแต่เราก็ยังพ้นอยู่ได้เพราะความบังเอิญคือ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 ทุกคนก็มีมือแห่งกุศลกรรมเป็นผู้ช่วยอยู่มือแห่งกุศลกรรมนั้นถ้าจะเปรียบให้เห็นง่า ย, ายก็ต้องเปรียบกับเท้ามีมือผู้ร้ายติดตามตะครุบอยู่จะหนีพ้นก็ต้องอาศัยเท้าพาวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นั่นก็คือต้องทำบุญทำกุศลคุณงามความดีให้มากที่สุด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 ผู้ใดทาผู้นั้นจักได้รับไม่ช้าก็เร็วต้องได้รับและจะไม่จบสิ้นแม้ไม่มีการเลิกผูกเวรแต่ถ้าเลิกผูกเวรก็จะจบสิ้นเพียงนั้นการให้อภัยด้วยใจจริงในความผิดของผู้อื่นที่ทาต่อตนจึงเป็นความสำคัญเป็นสิ่งที่ควรอบรมให้ยิ่ง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 เพื่อไม่ต้องรับผลของกรรมไม่ดีที่อาจร้ายแรงทำความชอกช้าให้แก่ชีวิตได้เป็นอันมากผู้ที่มุ่งแต่จะได้ในชาตินี้โดยไม่คานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมเป็นการทากรรมไม่ดีเป็นส่วนใหญ่เท่ากับให้โอกาสกรรมไม่ดีในอดีตชาติที่ได้สั่งสมไว้ให้ตามมาส่งผลทันในชาตินี้ง่ายเข้าและส่งผลได้แรงเต็มที่ง่ายเข้า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 มีแต่เป็นทางได้หรือเสมอตัวผู้มีปัญญาย่อมทมย่อมไม่ปฏิเสธเหตุที่ต่างก็มีพบชาตมานับไม่ถ้วนในอดีตต่างก็ทำกรรมทั้งดีและไม่ดีไว้นับไม่ถ้วนเช่นกันในพบชาตทั้งหลายนั้นเจ้ากรรมในเวรที่ได้ไปกัําเกินเบียดเบียนทำร้ายไว้ก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นกันทานองเดียวกับ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 หรือความดีความชั่วเท่านั้นพวกผู้มีปัญญาคิดเช่นนี้จึงเร่งทำความดีส่วนพวกผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดก็จะคิดว่าชีวิตนี้สั้นอีกไม่เท่าไรก็จะต้องตายมีวิธีใดจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองก็ต้องรีบหาไม่หมัวคำหนึ่งว่าจะผิดหรือถูก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 ผู้มีอาชีพฆ่าวัวฆ่าควายนั้นเมื่อใกล้จะตายต้องทนทุกข์ทรมานดิ้นรนกระเสือกระสนและส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวเสียงควายที่ถูกเชือดกก่อนตายส่วนผู้ที่ตบยุงหรือบี้มดไปบ้างแม้จะเป็นบาปแน่นอนที่ทำลายชีวิตสัตว์แต่ไม่ปรากฏผลของกรรมนี้ให้เห็นชัดให้รู้ชัด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 พระพุทธองค์ได้ท่งมอบไว้ในพระพุทธศาสนาหมดสิ้นแล้วเราเรียนพระพุทธศาสนาหรือเรียนพระธรรมกันอยู่ตลอดเวลาแม้จนทุกวันนี้เท่ากับเรากาลังพยายามจะให้สามารถแลเห็นพระพุทธเจ้าให้ได้แต่ก่อนที่เราจะได้เห็นพระพุทธองค์เราจาเป็นต้องรอบคอบระวังรักษาพระพุทธศาสนาอย่างดีอย่าประมาท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 คนนั้นก็คือคนดีนั่นเองในด้านตรงกันข้ามคนใดไม่กระตันยูกตะเวทีคนนั้นไม่ใช่คนดีเชิญสารวจตนเองให้ทุกคนให้เห็นใจตนอย่างชัดเจนตรงตามความจริงว่ามีความกระตันยูกระตะเวทีหรือไม่แล้วก็จะได้รู้จักตนเองว่าเป็นคนดีหรือไม่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 ถ้าชีวิตนี้วิ่งหนีได้เร็วกว่าและการจะวิ่งหนีให้เร็วกว่ามือแห่งกรรมนั้นจะต้องอาศัยกาลังบุญกุศลคุณงามความดีเป็นอันมากและสม่าเสมอกำลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่วกำ ร, ร้ายคือการทำดีพร้อมกายวาจาใจทุกเวลา